ตัตตาภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสตาภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัตตภควโตอรหโตสัมมา สัมพุทธัสสี่ิโสทิสังยันตังกอิราเวรีวาปณะเวรินังปาปิโยนังตะโตกะเรมิจฉาเป็นนี้ตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรติคี นับบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองกุศลเจตนาของท่านสาธิชนผู้สนใจในการเพิ่มพูนบุญกุศลซึ่งได้เดินทางมาที่วัดประยุรวงศาวาสในวันพระนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายบางท่านก็มาจากที่ไกลบางท่านก็มาจากที่ใกลบางท่านก็เคยมาบ้างแล้วแต่บางท่านก็อาจจะมาเป็นครั้งแรกซึ่งก็ไม่แปลกอะไรทุกท่านที่มานี้มาด้วยความตั้งใจที่จะสะดับตรับฟังพระธรรมเทศนาบ้าง ต้องการจะถาวายสังฆทานบ้างต้องการจะมาเยี่ยมชมวัดบ้างเพราะว่าการเข้าวัดเดือนหนึ่งสี่ครั้งซึ่งตรงกับวันพระนั้นจงก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิต จ, จิตใจหลายอย่างเพียงแต่ท่านเดินเข้ามาในบริเวณวัดปรยรวงสาวาส ท่านก็อ่านความรู้สึกของท่านได้ทันทีว่าบริเวณวัดนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายอย่างแต่ละอย่างนั้นควรเกี่การศึกษาควรเกี่การค้นคว้าในเชิงลึกเพื่อจะได้ปลูกความสำนึกว่าเราเป็นคนไทยเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติวัดวาอารามแต่ละแห่งซึ่งมีอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดนั้นเป็นสมบัติของทุกท่านทั้งหมดไม่ได้เป็นของใครเช่นเดียวกับวัดไปยุโร์สาวาดาศาสนสถานแห่งนี้เป็นสมบัติของญาติโยม ญาติโยมจะได้เข้าใจว่าเป็นสมบัติของพระแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายเรามีสิทธิในการที่จะเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมบ้างมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์บ้างสดับกลับฟังพระธรรมเทศนาบ้างแต่ละอย่างที่ท่านได้รับไปจากวัดนี้ ถ้าจะเรียกกันให้ตรงก็เรียกว่าเป็นอาหารทางจิตใจผู้ใดก็ตามที่มาวัดเป็นประจำย่อมจะได้รับอาหารของจิตใจไปบำรุงอยู่เสมอด้านร่างกายเราต้องทานอาหารวันละประมาณสามมือ้ออาหารเช้าอาหารเที่ยงและก็อาหารข้่มเรียกกันว่าวันละสามมือ้อมื้อเช้า มื้อกลางวันและกล็มื้อเย็นเราทานกันเป็นประจำร่างกายจึงมีกำลังวังชาสามารถทำกิจการงานต่างๆได้เพราะร่างกายไม่ขาดอาหารหันกลับมาดูจิตใจของเราบ้างเดือนหนึ่งนี่ไม่ได้ทานอาหารทุกวัน อิปกลมเป็นทานเดือนหนึ่งไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานอาหารทุกวันเลยแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราทานอาหารใจเพียงเดือนละสี่ครั้งคือวันพระถ้าจะเปรียบเทียบกับร่างกายแล้วเราปฏิบัติไม่สมดุลเหมือนกับมีอคติ ร่างกายเราบำรุงด้วยอาหารทุกวันวันหนึ่งสามมือ้อแต่ว่าทางจิตใจนั้นเราไม่ค่อยบำรุงกันถึงขนาดนี้บางท่านยังมีโอกาสดีเดือนหนึ่งยังมีโอกาสเข้าวัดครั้งสองครั้งนับว่าเป็นคนที่โชคดีพอจะได้มีอาหารใจบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจของเราร่างกายถ้าขาดอาหารก็หมดกําลังฉันใด จิตใจถ้าหากว่าขาดอาหารก็ย่อมจะหมดกำลังเช่นกันฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายมุ่งหน้ามาสู่วัดเป็นประจำทุกวันพระนั้นขอให้ญาติโยมเข้าใจเถอะว่าญาติโยมมาเพิ่มเติมอาหารใจเรียกกันว่ามาเพิ่มอาหารให้แก่จิตใจตัวเราเองสิ่งก่อสร้างที่สวยงามก็เป็นอาหารใจ เข้ามาในพระอโอสดนี้สํารวมจิตใจ ก, ากราบพระพุทธหรือ ก, ากราบพระอริยสังฆเจ้าคือพระโมคคัลลาภาษารีบุตรก็ชื่อว่าเป็นการเติมอาหารใจฟังธรรมะที่พระท่านเทศเจละกันเจระกันนั้นก็เป็นการเติมธรรมะลงในใจเป็นการเปิดใจใส่ธรรมะก็คือเปิดใจใส่อาหารนั่นเอง ดังเช่น ญ, ญาติโยมทั้งหลายกำลังบำเพ็ญให้เป็นไปอยู่ณบัดนี้ผู้ใดใครก็ตามที่มองเห็นว่าการมุ่งหน้ามาวัดก่อให้เกิดประโยชน์เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งจิตไว้ถูกต้องใครผู้ใดก็ตามที่คิดว่าการเข้าวัดไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยในวัดไม่เห็นมีดีอะไรสู้ไปตามบาสู้ไปตามขับไม่ได้ ผู้ใดใครก็ตามถ้าคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าตั้งจิตไว้ผิดการที่จิตตั้งไว้ผิดนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราตัดสอนไว้ว่าทิโสทิสังยันตังกะยีรา เวรีวาปณ ะ, ะเวรินังมิจฉาไป็นิหิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตเกเรซึ่งเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาซึ่งได้อัญเชิญมาตั้งไว้ในเบื้องต้นนั้นซึ่งแปลความว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งกว่า ที่ศัตรูต่อศัตรูคนมีเวรต่อคนมีเวรที่จะพึงทำให้แก่กันพระพุทธเจ้าตัดว่าความเสียหายทั้งหลายแหลที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วแล้วเล่าๆล่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น พระองค์ทร ง, งชี้ไปว่าต้นตอที่สำคัญก็คือจิตใจที่ตั้งไว้ผิดตรงกันข้ามความเจริญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเจริญส่วนตัวความเจริญส่วนรวมความเจริญที่เกิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านไหนที่นำความสุขนำความสบายมาให้แก่ประชาชนชาวโลก ต้นต่อหรือต้นทางแห่งความเจริญเกิดมาจากจิตใจที่ตั้งไว้ถูกต้องนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้พูดถึงจิตใจ ญ, ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะไม่ปฏิเสธว่าเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่นั่งอยู่ในพระโบโชสถนี้ก็ตามข้างนอกก็ตาม ขอให้ท่านจงรู้ว่าท่านยังมีจิตใจอยู่ถ้าหากว่าไม่มีจิตใจนี่คงไม่มีโอกาสมันนั่งที่นี่อย่างยมย้อยที่เดินไปไหนมาไหนได้เขาเพราะยมย้อยยังมีจิตใจอยู่ถ้ายมย้อยไม่มีจิตใจก็หมดสิทธิ์ที่จะเดินฉะนั้นจิตใจนั้นยังมีอยู่ในตัวของเราเพราะเหตุที่เรามีจิตใจเราจึงมีความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่นตาไปกระทบรูปไปเห็นรูปไปเห็นแสงไปเห็นสีต่างๆที่เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นก็เพราะว่าจิตใจยังมีอยู่ไอ้ตัวชอบหรือไม่ชอบนั้นไม่ได้ชอบที่ตาไม่ได้ชอบที่หูแต่ว่าตัวชอบคือจิตใจมันชอบไม่ใช่ตามันชอบ โยมมองเห็นแบงค์พันบาทแบงค์ธนบัตรนี่ตามันทำหน้าที่ดูก็จริงแต่ตามันไม่ได้ชอบหรอกหรือตามันไม่ได้เกลียดแต่ว่าที่เกลียดที่ชอบนั่นคือจิตใจใจมันเกลียดแล้วก็ใจมันชอบทีนี้แต่ละวันนี่เราพบสิ่งที่ผ่านทางหูทางตามากเหลือเกินตั้งแต่เช้าจนเย็น แล้วแต่ว่าท่านจะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรถ้าว่าท่านเองอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือท่านมีความฉลาดสามารถจะเลือกคัดเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเข้าสู่จิตใจสิ่งที่ไม่ดีท่านก็สกัดกั้นทิ้งไปเสียจิตใจก็จะซึมซับรับเอาแต่สิ่งที่ดีมาเรื่อยๆ พอซึมซับรับเอาแต่สิ่งที่ดีมาเรื่อยๆใจก็จะนิยมชมชอบเฉพาะสิ่งที่ดีเหมือนกับแมลงพึ่งน่นยโยมมันเกิดใน่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ดีมีต้นไม้มีเกสรดอกไม้นะเพราะมันเกิดในป่าแล้วทาไมเกิดไม่ป่ามันก็เกิดในที่สูง เกิดในชั้นบรรยากาศที่ชั้นในบรรยากาศที่มีอากาศบริสุทธิ์พึ่งมันจึงมีนิสัยที่รักดีรักสวยรักงามตั้งคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพึ่งนั้นมันจะมีนิสัยชอบของหอมตอมของสวยรวยของหวานทานของดีนี่เป็นนิสัยของพึ่ง ตรงกันข้ามถ้ามาดูมะแรงวันวั่นเป็นยังไงมันอยู่ในท่ามกลางของสิ่งเวทล้อมที่ไม่ดีมะแรงวันจึงมีนิสัยไปอีกแบบหนึ่งมะแรงวันมันชอบของเน่ามันเคล้าของเหม็นมันเล่นของบูรมันสูดของข่าวนี่มันต่างกัน สิ่งแวดล้อมนั่นคือสิ่งที่เราซึมซับรับเข้าไปเรียกกันว่าเป็นการอบรมถ้าหากว่าเราเอาสิ่งไม่ดีไปอบรมจิตใจจิตใจก็พลอยเสียไปด้วยเพราะว่าการอบรมนั้นมันทำให้ติดอยู่ที่จิตใจถ่านนาสิ่งไม่ดีไปอบรมจิตใจจิตใจก็พลอยเสียไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเอาสิ่งที่ดีไปอบรมจิตใจจิตใจก็จะดีขึ้น ทีนี้ท่านทั้งหลายมองดูว่าสังคมทุกวันนี้มีสิ่งต่างๆที่เราจะต้องดูทางตาต้องฟังทางหูจิตใจต้องไปสัดับรับรู้นั่นมันเป็นเรื่องดีและไม่ดีล่ะเรื่องไม่ดีมันก็มีมากมายและเรื่องดีมันก็มีมากมายเราจรึงต้องรู้จักเรือก คนที่รู้จักเลือกนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนมีสติปัญญาอย่างบางคนไม่มีสติปัญญาเป็นคนมีโมหะครอบงำจิตเรียกว่าเป็นคนโง่มันก็ถูกดูดถูกดึงเนี่ยไปหาพวกที่ไม่ดีทั้งหลายโยมได้ยินพวกแก๊งโอโรสไหมโอโรสได้ยินไหมงามไมมันสักเต็มเนื้อเต็มตัวมนอยากจะเอาตัวอย่างบ้างไหมล่ะ แล้วสิ่งที่มันชักจูงให้คนเนี่ยไปร่วมกระบวนการกับมันมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ไม่ดีเชิญชวนให้คนไปเสพยาอย่างนี้เชิญชวนให้คนไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆนาน า, นาอย่างนี้โยมว่าดีไหมไม่ดีถ้าใครผู้ใดก็ตามไปศรัทธาไปนิยมชมชอบประเภทนี้เรียกกันว่าตั้งจิตไว้ผิด พอตั้งจิตไว้ผิดแล้วนะฮะมันก็ทำให้เกิดการพูดผิดทำให้เกิดการทำผิดทำให้เกิดกระแสชีวิตที่ผิดไปเรื่อยเหมือนกับชีวประวัติของคนคนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บโยมคงจะต้องรู้จักซีอุยโคมโยมเคยได้ยินไหมล่ะซีอุยถ้าเกิดว่าโยมอยากจะรู้จักซีอุยหน้าตาเป็นไงโน่น่ะไปดูพิพิธภัณฑ์ซีอุยที่สี่ล่าง ซีอุยเนี่ยมันถูกประหารชีวิตชีวิตในวันนี้ในวันที่สี่กุมภาพันธนะ์เมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหนึ่งชีวิตของซีอุยก็น่าศึกษานะมีความเป็นมาที่น่าสงสารอยู่เหมือนกันอาตมาจะเล่าให้ฟังย่อๆว่าซีอุยเนี่ยเป็นคนเกิดที่ไหนซีอุยไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเกิดที่ประเทศจีน ที่เมืองซัวเถาน่นเนี่ยซีอุยนี่แกเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กแล้วก็ไม่สูงสูงประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนแล้วนั่นเองก็เรียกว่าเป็นจีนแคะอ่ะเพราะเหตุที่แกเองมีรูปร่างเล็กและกำลังวังช้าก็ไม่ค่อยมีจึงถูกเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะลังแกอยู่เรื่อย เวลาไปเล่นกันในเด็กที่มีกำลังมากกว่ามันก็ผลักซีอุยล้มบางทีมันก็ต่อยซีอุยบ้างตบซีอุยบ้างทำให้ซีอุยแกมีความกดดันโกเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันรังแกก็อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งแกมีความทุกข์แล้วก็เอาความทุกข์นี่ไปเล่าให้พระจีนรูปหนึ่งฟังพระจีนก็เลยบอกว่าซีอุยถ้าหากว่าแกอยากจะมีกาลังเนี่ยนะ มันจะต้องกินตับคนนะตับเป็ดตับไก่ก็ยังให้กำลังไม่ดีเท่ากับตับคนแก่ถูกสอนผิดถูกอบรมมาผิดและก็ติดอยู่ในความผิดนั้นๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซีอุยก็คิดอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องบำรุงกำลังวังชาด้วยการกินเนื้อคน เรียกกันว่าเครื่องในของคนเนี่แหละมันจะทำให้เกิดกำลังวังชาเป็นยาชูกำลังหลังจากนั้นซีอุยก็ได้รับเกณฑทหารเข้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้น็กกะโศถูกส่งมาอยู่แถวเนี่ยชายแดนระหว่างประเทศจีนกับประเทศพมา่าพอเสร็จสงครามแล้ว แกก็กลับไปที่สัวเถาแถวบริเวณสัวเถานั้นมันค่าคนกินได้ยากในที่สุดก็มีคนชวนแกมาทํางานในเรือพอเดินเรือไปเดินเรือมามีคนชวนว่ามาอยู่ประเทศไทยดีกว่าเด็กมันเยอะซีอุยก็เลยมาที่ประเทศไทยขึ้นที่ท่าเรือทองเตยเป็นคนหลบหลบซ่อนซ่อน เรียกกันว่าเป็นคนเถื่อนอยู่ทำการทำงานไปอะไรไปจนกระทั่งในที่สุดก็ย้ายไปอยู่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ไปก่อเหตุที่นั่นฆ่าเด็กตายสามสี่คนแล้วก็จับไม่ได้ก็ทำได้แนบเนียนมากจนกระทั่งก่อเหตุซ้ำสิกซ้ำอีก เด็กถูกฆ่าตายมีมากขึ้นถึงแปดคนเลยกันจนกระทั่งในที่สุดเด็กคนสุดท้ายเนี่ยรอดชีวิตมาได้ก็มาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านจึงพากันไปจับสีอุยแล้วก็ส่งตำรวจตำรวจก็ทำเรื่องฟ้องศาลศาลพิภากษารประหารชีวิตเพราะว่าเป็นคดีที่โด่งดังมากในยุคนู้นสอง1ันห้าหนึ่ง อาตมายังเข้าโรงเรียนขั้นประฐมอยู่เลยแต่ว่ามีข่าวดังทางวิทยุมากกว่าซีอุยนั้นนะเป็นคนที่น่ากลัวมากประโคมข่าวกันทั่วประเทศทาให้พ่อแม่ต้องระวังเรื่องลูกหลานเวลาลูกหลานจะเดินไปเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ไกลบ้านต้องมีพี่มีน้องคอยเป็นเพื่อนไปด้วยคดีซีอุยเป็นคดีสะเทือนฝันมากในครั้งกันนู้น ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สัมภาษณ์ส่งตัวฟ้องศาลศาลก็ทำการซักไซ้์ไล่เลียงว่าเป็นยังไงเกยอมรับสารภาพหมดคดีนี้อย่างเป็นคดีปิดสนาปิดสนาอย่างไรเพราะว่าศพที่เก็บได้เจ็ดแปดศพนั้นปรากฏว่าเครื่องในยังไม่หายไปเลยเป็นแต่เพียงถูกแทงบ้างถูกทุบบ้างอะไรบ้างแล้วสีอุยก็ดื่มเลือด ของเด็กที่ตายแต่ว่าเครื่องในไม่ได้กินยังเป็นคดีปริศนาว่าทำไมจึงบอกว่าซีอุยในชอบกินเครื่องในนี่ยังเป็นปริศนาอยู่การที่ซีอุยนั้นทำอย่างนี้ก็เพราะว่าซีอุยตั้งจิตไว้ผิดคิดผิดว่าสุขภาพร่างกายมันจะดีขึ้นก็เพราะอาศัยกินเลือดคนเนื้อคนเครื่องในของคน ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเนื่องจากได้รับการอบรมมาผิดตั้งแต่ต้นผู้ใดใครก็ตามถ้าหากว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนผิดแล้วมีการปฏิวัติพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้คนนั้นแหละเป็นคนดีเสดผู้ใดโง่รู้ตัวนะฮะว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ ทำบาปเป็นคนที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกับคนนั้นคนนี้แล้วก็สามารถปฏิวัติพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วกลับจิตได้สังคมเขาก็ยกย่องดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดงโง่รู้ตัวและกลับจิตไม่ถือผิดงมงโง่เดโมหัน น่าจะชมว่าสมเป็นคนทันรู้ผ่อนผันกับตนเป็นคนตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ารู้ว่าผิดแล้วเลิกละเสียเปลี่ยนแปลงใหม่เสียชีวิตของบุคคลพู้นั้นจะประสบในความสุขความเจริญดังเช่นพระพุทธเจ้าของเราเมือ่อครั้งยังเป็นศิษฐสัธาพระองค์เสด็จออกบวชแล้วพระองค์ก็ทรงถือปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง คือพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาจนเกือบจะตายต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทรงลบรึกตรึกตรองดูแล้วว่าไอ้ทางนี้คงไม่ใช่เป็นทางคนทุกข์พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนใหม่ที่พระองค์ทรงเดินทางผิดนั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าสังคมในยุคนั้นนิยมการปฏิบัติที่ผิดมา พระองค์ได้ทรงตรับกับฟังคําที่เขาเล่าหรือพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามคือสังคมในครั้งที่พระองค์เสด็จออกบวชในข้อนันูนเนี่ยเขามักจะมีสูตรสําหรับผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์ว่าผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์นั้นหนึ่งต้องประพฤติตามหลักการมัสุ ข, ขันลิการุโยคเอาตัวโพพันอยู่กับเรื่องการมัสุขทั้งหลายสองอัจจกิริมถ า, านุโยก ก็คือปฏิบัติตนให้ลำบากทรมานตนต่างๆนานาไปยืนตากแดดตลอดชีวิตบ้างไปยืนตากฝนตลอดชีวิตบ้างเอาตัวไปย่างไฟร้อนๆบ้างเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่ากิเลสมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงในครั้งเป็นศิรษะพระองค์ก็ทรงเดินถามผิดอย่างนี้เหมือนกันต่อเมื่อได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพระองค์ก็จึงสามารถ ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เรียกมาประสบความสำเร็จอย่างสูงก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ น, นั้นทรงตั้งจิตไว้ถูกเบื้องต้นตั้งจิตไว้ผิดแต่ต่อมาตั้งจิตไว้ถูกการตั้งจิตไว้ถูกนั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลดียิ่งกว่าพ่อแม่หรือญาติพี่น้องให้ทำให้กับเราสิอีก พระพุทธองค์ก็ทรงมีพระพุทธภาสิทิ์ยืนยันในเรื่องนี้ว่าณตังมาตาปิตาอันเยวาปิจยาตกาสัมมาไป็นนิตังจิตตังสัยโสนังตะโตกะเรซึ่งแปลความว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องนั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลดียิ่งกว่า ที่พ่อที่แม่หรือญาติพี่น้องจะพึงทำให้กับเราสิอีกด้วยเหตุนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายความเจริญก็าตามความเสื่อมก็าตามที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่ที่การตั้งจิตไว้ถูกหรือการตั้งจิตไว้ผิดอย่างญาติโยมมานั่งฟังธรรมนี่ถ้าเกิดตั้งจิตไว้ถูก เช่นคิดว่าเอ๊ะมานั่งฟังเทศต้องมานั่งใกล้ๆพระเทศนะไปนั่งติดผนังโบสถ์มันห่างไกลพระเทศเหลือเกินมองหน้าไม่ถนัดนิยมตั้งจิตไปถูกอย่างนี้โยมก็จะมานั่งใกล้ๆพระเทศกันแต่ถ้าโยมยังตั้งจิตไว้ไม่เคยถูกก็ไม่ถึงกับว่าผิดนักนะนะไว้ฝังพระเทศที่มันหนักหัวเนะ จะต้องอาศัยเสาบ้างหนังโบสบ้างคอยค้าตัวนะไม่งั้นเนตัวมันจะล้มอย่างนี้เลยก็เสร็จแหละเขาเรียกตั้งจิตไว้ผิดโดยเหตุนี้จะต้องตั้งจิตไว้ดีจึงจะได้รับอานิสงส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับอานิสงส์จากการฟังธรรมรวมความว่าญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการทำความดีสำคัญอยู่ที่จิตใจเราจะต้องตั้งจิตใจของเราไวให้มั่นคง ตั้งจิตใจให้อยู่ในศรัทธาคือมีความเชื่อมัน่นว่าบุญกุศลก็ตามความดีต่างๆก็ตามนั่เป็นหน้าที่ของเราเราต้องทําได้คือมีความเชื่อมัน่นและจะทําให้สําเร็จนั้นก็ไม่ต้องอาศัยผีสามเทวดาที่ไหนตัวของเรานี่แหละสามารถที่จะบรรดาลความสําเร็จทีชีวิตของเราได้ประการที่สองตั้งตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลที่เราได้รับไปแล้วนั้น ผู้ใดใครก็ตามที่มีความคิดอย่างนี้ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วก็ตั้งจิตอยู่ในความเสียสละสละสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นนิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่ตกเป็นทาสของอาบายามุขต่างๆเสือผู้หญิงสิงธูลาบ้าพ น, นันสัมพันธ์คนผ่านงานเกเรเที่ยวเตราตรีเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้เราก็ทิ้งให้หมด นอกจากนั้นเราก็ตั้งตนอยู่ในอะไรปัญญาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอศึกษาทั้งเรื่องข้างนอกศึกษาทั้งเรื่องข้างในศึกษาทั้งวิชาชีพศึกษาทั้งวิชาชอบศึกษาทั้งวิชาชีวิตตั้งจิตไวอย่างนี้เรียกกันว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องการทำความดีจึงสำคัญที่จิต ดังที่ท่านได้แต่งเป็นคำกรสอนใจไว้ว่าประพฤติ ธ, ธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกขุดผ่องไม่หมองใจสติใช้คุมจิตไม่ผิดเลยดังในที่ชี้แจงแสดงมารัตนตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์จงช่วยกำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐาน ขอเดชะพระธรรมรัตจงช่วยกำจัดพานให้เป็นสารผุดผ่อง้นผองไผ่ขอเดชะพระรสังขัรจงช่วยกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระตนตรัยขอให้ท่านทั้งหลายเจริญวัยเจริญศรีทวีคูณขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิพานธรรมสารสมบัติ ประสงค์สิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยสามารถคอยความประสงค์นั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบัญหารมีในอย่างชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรร ม, มเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉนี